พากันตั้งใจเรามาประชุมกันนี่ก็เพื่อที่จะมาฝึกหัดตั้งอกตั้งใจให้มันแน่วแน่เพราะว่าท่านใจนี้ถ้าเราไม่ฝึกแก่งนี้ละมันมันจะไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแังนั้นเราจึงต้องมีอุบายวิธี หลายอย่างเริ่มตั้งแต่ทำบุญทำทานปาดกวดวัดวาอารามต่างมาหมดนี่นะทำความสะอาดในที่อยู่ที่อาศัยไม่ให้รกรุงรังอันหมดนี้มันก็ล้วนแต่เป็นอุบายฝึ ก, กจิตใจทั้งนั้นแหละให้เข้าใจ เราพอได้อยู่อย่างสุกรกรปกลุกรุ่งลังไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดสะอ้านสแสดงถึงจิตใจนันมันไม่ผ่องใสจิตใจมันมัวหมองมันจึงชอบสุกกระโกให้สังเกตดูตัวเองทุกคนแหละถ้าวว่าจิตใจมันผ่องใส อยู่ด้วยบุญด้วยกุศลแล้วมันก็ชอบความสะอาดภายนอกไม่ชอบความสกปผกและเทะต่างๆไม่ว่าจะเพศใดแหละมันไม่เลือกเพศเรื่องธรรมเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นเห็นความสำคัญของ ความปะพฤติทางกายทางวาจาต้องพยายามรักษากายรักษาวาจานี่ให้มันดีสม่ำเส ม, มอไปนี่คนเราจะรู้กันได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีมันก็รู้ด้วยการแสดงออกทางกายทางวาจาแต่ทางภายในจิตใจไม่มีใครรู้กันได้ ไม่มีใครรู้ว่าคนนั้นจิตเป็นอย่างนั้นคนนี้จิตเป็นอย่างนี้มันรู้ไม่ได้เพราะจิตนั้นไม่เป็นลูกประธรรมเป็นนมามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาหนังธรรมดามองเห็นด้วยตาปัญญาไปอย่างนั้นดังนั้นการแสดงออกการแสดงออกทางกายทางวาจาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องส่อถึงจิตใจ เมื่อใจดีความาพฤตทางกายการพูดทางวาจามันก็ดีอย่างนี้แหละเพราะว่ากายวาจานั้นอยู่ใต้บังคับของจิต <c oughs> <c oughs> เมื่อจิตฟุ้งซ่านแล้วการทำการพูดอะไรก็โรเลห่ืวไหลพูดไม่มีหลักไม่มีฐานเลือ้อยเปื่อยไปอนั้นแหละคนใจรอย การกทําการงานก็จดจดจอจอทําอะไรก็ไม่ค่อยสําเร็จลงได้นี่แสดงถึงจิตของคนผู้มีจิตใจเลื่อนลอยไม่หนักแน่นทุกคนไปกลัวดูจิตตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมอย่างนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผู้รักษาความสัตย์ความจริงใจไว้ให้ได้ เราทำข้อปฏิวัติอันใดลงไปแล้วก็ทำให้มันจริงมันจังลงอย่างเช่นถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ต้องนั่งไม่ต้องอ้างโน้น อ, อ้างนี้เว้นเสียแต่เจ็บป่วยมันนั่งไม่ได้นี่เมื่อ พิสูจน์ตัวใเองได้ว่าตนเองนะั้นเคารพในความสัตย์คมจริงอยู่เช่นนี้มันก็จ ะ, จะเจริญไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลบุญกุศลก็จเจริญขึ้นในจิตใจเพราะบุญกุศลจะเจริญขึ้นได้ด้วยการกระทําอยู่เฉยๆมันไม่เกิดศีลด้วธรรมหรือว่าบุญกุศลเนี่ยไม่เกิด บุญจะเกิดขึ้นทางใจได้ก็ต่อเมื่อใจนั้นละอารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่ความสงบเสียก่อน อ, อย่างนี้ธรรมดาผู้ปฏิบัติทางภาวนาอันกิเลสอันเป็นมารแห่งความสงบมันก็มีอย่างนี้นะเมื่อเวลาเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้น้อมสติเข้าไปเพื่อ สงบจิตอยนี้ก็รู้สึกว่ามันสบายสบายอยู่เพราะว่ามันอยู่กับอารมณ์ทันพอดีโน้มสติเข้าไปจะ ก, กําหนดใจละอารมณ์ต่างๆที่จิตยึดถือเอาไว้บนี้อันกิเลสที่มันขัดขวางไม่ให้ใจสงบลงได้นะมันก็ผักดันเอาไม่ยอมให้จิตสงบลงได้ มันเป็นอย่างนี้ให้สังเกตดูดัง น, นั้นเราจึงต้องสู้กับความคิดความนึกตัวเองสู้กับความรู้สึกตัวเองเรียก ว, ว่าอดอดกั้นทนทานต่อความคิดความนึกไม่หวนไไหวไปตามในเมื่อจิตยังสงบลงไม่ได้แน่วแน่นี่เราก็ต้องอดต้องทนอดกั้นลงไป อดไม่คิดอดไม่วิจารณอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะเพราะเวลาเช่นนั้นนะ่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดมาวิจารณอะไรต่ออะไรเป็นเวลาที่เราทำความสงบทําใจให้เป็นหนึ่งต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจตัวเองได้อย่างนี้แล้ว ก็ตั้งใจแน่วแน่ลงว่าเราจะไม่คิดอะไรเราจะกำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นอย่างนีถ้ถ้าเข้าใจทำอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยจิตย่อมสงบลงได้แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจอย่างนี้ ไม่ใส่ใจอย่างว่านี่มันก็สงบลงไม่ได้จิตนั่นน ะ, ะต้องให้เข้าใจมันเคยคิดเคยปรุงแต่งอะไรไปมันก็คิดคิดก็ปรุงแต่งไปอย่างนั้นแหละมันจะไม่หยุดยั้งลงได้เป็นอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้ายัางสอนให้เรา สกัดกั้นความคิดความนึกเหล่านี้ด้วยสติอห้ามความคิดเหล่านี้ด้วยสติสัมปชัญญะทําความรู้กับจิตนั่น่ะจิตตั้งดูอยู่อย่างไรก็ทําความรู้ดูอย่างนั้นอรู้ว่าไม่คิดไปไหนในขณะนี้นะอย่างนี้นะรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเอา ทำให้จิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวในขณะนี้ไม่กังวลกับสิ่งใดอย่าง น, นี้ถ้าเราไปเพ่งห่างๆไม่ถีเข้ามาแล้วอย่างนี้มันสงบไม่ได้มันจะคิดความคิดมันจะเล็ดลอดไปอยู่อย่างนั้นแหละดันั้นต้องโน้มสติเพ่งเข้าไปให้มันใกล้กับ ความรู้สึกอันนั้นในที่สุดก็ต้องให้สติมันยังเข้าหาความรู้สึกอันนั้นให้ได้แล้วก็วันนี้มันก็หยุดลงได้แล้วหยุดคิดลงได้ถ้าสติยังอยู่ห่างจากความรู้สึกอย่างนั้นมันก็หยุดคิดลงไม่ได้อมันเป็นอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจทำไมจิตมันถึงไม่ส ง, งบ ไม่ต้องสงสัยสติมันอย่างเข้าไปถึงจิตอย่างเข้าไปถึงความรู้สึก น, นั่นน่ะบางทีมันก็อย่างเข้าไปอยู่หน่อยเดียวแล้วมันถอนออกมาสักเช่นนี้แล้วมันก็สงบอยู่ไม่ได้นานเลยดังนั้นสติความระลึกได้ะระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นแล้วไม่ถอนออกมากาหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างนั้นเรื่อยไป ไม่หลงตามสัญญาความจําความหมายต่างๆไม่หลงไปตามมันนั่นแหละกาหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเพ่งอยู่นั่นแหละไม่ทำอย่างนี้นี่ไม่ได้จิตมันหล่แหละไม่หนักแน่นเลยอันนั้นเราต้องเพ่งให้มันเข้มแข็งเข้าไป จิตนี่มันจึงมีความหนักแน่นให้เข้าใจชาัังแปลว่าความเพ่งนี่นะนั่นแหละที่ในตำราที่พระพุทธเจ้าแสดงว่านั่งขัดสมาธิแล้วเพ่งลมหายใจเข้าออกแล้วได้บรรลุประชมปถมฌาน ูุ้ติยฌ า, านตติยฌ า, านจตุทฌ า, านอย่างนี้น ะ, ะก็คือเพ่งเข้าไปแล้วจิตมันค่อยรวมเข้าไปโดยลำดับลาดับไปและเอียดเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้น ะ, ะนั่นแหละพอถึงจตุทฌ า, านเข้าไปอย่างนั้นแล้วลมหายใจไม่เปล่ามีแต่ความรู้สึกกับสติเท่านั้น ปรากฏอยู่นี่แต่ว่าไอ้ผู้ที่ไม่มีวาสนาจะทาฌานเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้มันก็เกิดไม่ได้อ่ามันเป็นงนั้นก็นได้แต่ความสงบในขั้นไม่ละเอียดเท่าไหร่เพียงในขั้นกลางที่ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิ แปลว่าจิตสงบใกล้เข้าไปสู่ฌานอย่างนั้นใกล้เข้าไปสู่ฌานแต่ว่าไม่ถึงฌานเฉียดเฉียดเข้าไปอย่างนี้นะ <c oughs> ได้แค่เพียงเฉียดเข้าไปก็เอาอย่างนี้แหละ พอสําคัญอยู่ที่ว่าให้ใจมันตั้งมั่นลงไปเท่านั้นแหละอืเมื่อใจมันตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันก็ใช้ได้ก็จเจริญปัญญาได้อย่างนี้นะแตนเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันมันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเช่นนี้แล้วมันจะคิดอะไรไม่ได้อ่านอะไรไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> ดังนั้นนะก่อนอื่นนี่ทุกคนต้องสังเกตดูจิตของตัวเองนะมันตั้งมั่นด้วยดีไหมหรือมันวกแวกไปอยู่มันห ล, หล่อแหละหรือนี่นะมันอ่อนแอหรือว่าไงนี่ก็ต้องสังเกตดูจิตของตนเองเนะี่ย ให้จะรู้ให้ไม่ได้ <c oughs> มีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละรู้จิตตัวเองโดยตรงเมื่อรู้ว่าจิตของตนมันยังอ่อนแออยู่เช่นนี้มันเราก็ต้องเพ่งให้มันมากเข้าไปกว่านั้นบน้างนะ มันจะมีทุกขเวทนาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็อดเอาทนเอาไม่ต้องหวนไว้มันแน่นอนแหละเมื่อเราเพ่งเข้าไปทีแรกนี่นะมันจะอึดอัดขัดข้องมันจะเกิดเวทนาอะไรขึ้นไปอย่างนั้นก่อนแหละแต่เมื่อเราไม่ถอยเราเพ่งความรู้อันนั้นอยู่ไม่ถอยอ่ นานเข้านานเข้าไอ้จิตที่มันเคยคิดฟุ้งซ่านต่งางๆค่อยสงบลงสงบลงหยุดคิดลงไปอารมณ์ในใจที่ยึดไว้แต่ก่อนก็ค่อยระ ง, งับไปเมื่อเมื่ออารมณ์ต่างๆระ ง, งับออกไปจากจิตคือความรู้สึก น, นี่แหลมันก็ทําให้ความรู้สึกอันนี้เบาวปอดโงงไปเรื่อยๆ ไ ม, ไม่หนักไม่หน่วงไม่อึดอัดเหมือนแต่ทีแรกมันมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะการทำสมาธิภาวนาเนะี่ยถ้าหากว่าไม่รู้เท่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเพ่งอยู่นั้นมันก็รวมลงไปเป็นหนึ่งไม่ได้จิตนี่นะ มันก็จะค่อจะวันไว้ไปตามทุกขเวทนาสุขเวทนาอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นอย่าไปวันไหวเมื่อเกิดทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอะไรขึ้นมาเราก็อดก็ทนทำความรู้เท่าว่าเวทนาทั้งหมดเหล่านี้ก็สักวาแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคขลนตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะ ก็เตือนตอนอย่างนี้เด่กเมื่อจิตมันระลึกได้ว่าโอ้จริง เ, เวทนาเหล่านี้มันก็เป็นเพียงว่าจิตมันสวยอารมณ์อันใดอันหนึ่งอยู่เท่านั้นเองเนี่ยถ้าเช่นมันมันเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ รู้ว่าตนสวยทุกอยู่อย่างนี้นะออันนี้แหละท่านจึงภาษาบาลีท่านบรญยญัตว่าเวทนาถาว่าเป็นภาษาไทยเราแปล ว, ว่าจิตเสวยอารมณ์เป็นสุขว้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขว้างที่นี้ภาษาตะดาทรงสอนให้เราะระลึกได้ว่าเวทนาเหล่านี้ก็สักวัตเวทนา มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเมื่อจิตรู้ว่าไม่ใช่ของเราของเขาแล้วมันก็ไม่ห ว, วั่นไหวทีนี้มันก็อดได้ทนได้ทนต่อร้อนทนต่อหนาวทนต่อความเจ็บความปวดต่างๆได้ดังนั้นให้พึ่งพากันสาเนีดดูให้ดี การทำจิตให้สงบเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกในการภาวนาถ้าจิตไม่สงบแล้วเราจะไปเจริญปัญญามันก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยพอมันจะคิดเรื่องนี้มันคิดไปไม่ได้ตลอดมันพลิกไปหาเรื่องอื่นเสีย ธรรมดาจิตไม่สงบนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอืันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วรู้ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วก็หยุดพิจารณาอไม่ต้องพิจารณาอะไรต่ในขณะนั้นมาเพ่งความรู้สึกนี่ให้มันหนักแน่นเข้าไปให้มันสงบลงไปสะกก่อนเมื่อมันสงบมันตั้งมัน่นด้วยดีพอสมควรแล้ว อยาพิจารณาอะไรก็ถึงค่อยพิจารณานี่โดยมากที่พระพุทธเจ้าสอนก็พิจารณาขันหานี้แหละเพราะว่าจิตใจมันคล้องอยู่ในขันหานี้เมื่อมันคล้องอยู่ในขันหานี้แล้วมันก็ไปคล้องอยู่กับสิ่งอื่นภายนอกออกจากขันห้อออกไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไปคล้องอยู่ในขันหานี้แล้วมันก็ไม่คล้องอยู่ใน สิ่งอื่นภายนอกนั้นเลยตาเห็นรูกก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้สูดกลิน่นเหม็นกลิ่นหอมอะไรก็สักว่าแต่กลิน่นลิ้นได้รับรสอาหารเผ็ดบ้างเค็มบ้างจืดบ้างขมบ้างหวานบ้างจิตมันก็รู้ เ่าว่าสักแต่ว่าทั้งนั้นอันหมูนี้นะอไม่มีตัวตนอะไร mm. เมื่อมันมันรู้อย่างนี้มันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรสชาติของอาหารนั้น mm. กายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง mm. เมื่อจิตมันรู้เท่าไม่ได้พิจารณาอยู่เสมอแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นไปกับความสัมผัสนั้นร้อนมาก็ไม่ ตื่นเต้นไม่เดือดร้อนไปกับความร้อนหนาวมาจิตก็ไม่วันไหวไปตามความหนาวอา้าร่างกายมันไม่ปกติมันเจ็บโน้นปวดนี้ขอให้เป็นเรื่องของร่างกายไปเรื่องของขันท่าไม่ใช่เรื่องของเรามันจะมีอุบายแยบภายอยู่ในใจอย่างนั้นนะธรรมดาผู้รู้เท่าเป็นงั้น ใจเมื่อได้รับรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านั้น เ, เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่มันก็ไม่วันไหนไปตามก็สักแต่ว่าอะไรแบบนี้นะมันเห็นสักแต่ว่าอ อ, อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ว่าเป็นของยั่งยืนอะไรสุขก็ดีทุ ก, ก็ดีไม่ทุกไม่สุขก็ดี เจ็บปวดอะไรต่ออะไรหมดเนี่ยมันก็ไม่มีตัวมีตนอะไรออแล้วมันไปไปบางคนดับไปคนเราถ้าหากเจ็บอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วอต้องตายอย่างนี้นะแต่นี้เมื่อมันเจ็บไปเจ็บไปมันถึงเวลามันระงับไปมันก็ระงับไปแต่บคุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นแล้วทำไม่อดไม่ทนเล้วกัน นิ่งหล่นกระสอบกระใสกลัวต่อความทุกขเวทนาต่างๆนั้นเอีเอ น, นั้นผู้ปฏิบททัติทางจิตใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องงอนไว้กับทุกขเวทนาต่างๆเพราะว่า ม, มันไม่ใช่ของเราหน่ก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆเมื่อไม่ใช่ของเราเราทำไม่เราจึงมาอาศัยมันอยู่ เหตุที่มาอาศัยมันอยู่ก็เพราะมันไม่รู้แจ้งมันแต่ก่อนมานู่นแหละแต่ชาติหลังๆคืนไปนู่นนเกิดมาชาติใดก็มาสาคัญยึดมั่นว่าขันห้าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนั้นแหละจนถึงมาเกิดในชาติตุบันีคก็ยังสาคัญว่าขันห้านี่เป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนอยู่เช่นนี้แหละเมื่อมันวิบัติมาจึงได้วันไหว วันนี้เมื่อเราได้มาเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเพ่งพิจารณาดูให้ถีทวนลงไปแล้วมันก็จะลงความเห็นได้ว่าเออรูปกับนามมาทำรวมที่เรียกว่าขันหานี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะถ้าเป็นตัวตนจริงๆก็บังคับได้แหละ บังคับมาให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยเช่นนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าจิตใจมันก็ไม่วันไหวน่ะอพอมันรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ของตนแล้วมันก็ไม่วันไหวนี่แหละการฝึกจิตใจออืก็คอยพากันเข้าใจ ฝึกไมห่หวันไหวต่อความทุกข์นี่ขั้นหนึ่งแล้วก็ฝึกหัดละตั้หาความอยากความทะเยอทยานอยากให้ร่างกายมันเที่ยงมันยั่งยืนอยากให้ร่างกายเป็นสุขส ม, มายตลอดไปตั้นหาเหล่านี้มันเป็นค่าศึกแก่ผู้ภาวนาสมาธิออขอให้เข้าใจ ดังนั้นเราต้องละความอยากความวิตกวิจารณดังกล่าวนี้ไม่ต้องไปอยากให้มันเป็นอย่างโน้น อ, อยากให้มันเป็นอย่างนี้พอถึงอยากอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของขิตใจได้เอสอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ความอยากเหล่านะั้นมันก็ระ ง, งับลงเี่ยเอากปวางวางเฉยลงไป จะอยากให้มันหายอยากให้มันตายก็ไม่ว่าแล้วแต่เรื่องมันจะเป็นไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงรูปน้ำอเ น, นี่ยถ้าเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับเราก็ทำความรู้แจ้งอย่างนี้ในใจมเมื่อไปรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่บันไหวแหละ ไม่วิตกวิจารไม่เศร้าโศกไม่เสียใจกับร่างกายสังขารอันนี้ที่มันกำลังแปรปวนวิบัติอยู่แต่ความรู้ความเห็นภ า, ายในจิตใจมันก็จะเกิดขึ้นว่าเวลานี้ธาตุสี่ขันห้านี่มันกำลังแปรปวนอยู่มันแปรปวนไปหาทางแตกดับมันไม่ได้สำคัญว่าเรากำลัง จะร่มจะตายกำลังป่วยหนักอยู่อย่างโน้นอย่างนี้ไม่วิตกไปอย่างนั้นเลยแบบนี้น ะ, ะมันกลับความรู้สึกนึกคิดไปไหมแต่เมื่อได้ไม่รู้แจ้งตามมีจริงอย่างว่านี่มันก็ต้องสาคัญว่าเรากำลังป่วยหนักเรากาลังจะตาย เรากําลังสเสวยทุกขเวทนาต่างๆอยู่อย่างนี้นะอะไรอะไรก็เป็นเราไปหมดเป็นเขาไปหมดแหละเขากําลังเจ็บหนักเขากําลังจะตายไอ้เรากําลังเจ็บหนักอยู่ไอ้เรื่องสมมุติทั้งหลายเหล่านี้ต้องละนี่ผู้ปฏิบัติทำนะหัดละไม่ให้จิตมันวิตกไปอย่างนั้น ต้องให้มันวิตกกว่าธาตุสี่ขันห้ากําลังแปรปวนมันอยู่มันจะแตกจะดับถือก็แล้วแต่เรื่องมันมันไม่แตกไม่ดับมันก็หายไปถ้ามันไม่หายมันก็แตกก็ดับเท่านั้นแหละไม่มีอะไรไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจกับมันถึงเศร้าโศกได้มันก็ไม่ดีขึ้อถ้าเราไม่เศร้าโศกเสียใจกับมันวางใจให้เป็นกลาง อยู่แล้วอย่างนี้ถามมันไม่เหตุปัจจัยมันยังไมหมดมันก็ระ ง, งับหายไปทุกเวทนาความวุ่นวายของธาตุสีข่ขันหามันก็ระ ง, ง, งับลงก็อย่างนี้แหละว่าแต่เราทําจิตให้เป็นกลางไว้แต่ถ้ามันจะไม่หายอย่างนี้มันก็แสดงบอกให้รู้แหล้วมันรู้ได้และ ผลเวลาชวนจะตายมันก็รู้ได้เออนี่ร่างกายอันนี้มันจะไม่ไม่ไม่ปกติได้แล้วมันจะแตกจะทําลายแล้วอย่างนี้มันก็รู้ด้วยตนเองเนี่ทีนั้นะเมื่อรู้อย่างนั้นเราก็ตั้งใจให้แ น, วน่วแน่ไม่ต้องกัางวลกับอะไรเลยแบบนี้นะเอาานน้าวร่างขันทาดสีขนะมันจะแตกจะดับ มันวันไว้ไปเราเราไม่วันไว้ไปตามธาตุสี่ขันหานั้นหมายถึงจิตนี่แหละจิตนี่จะไม่วันไว้ไปตามธาตุสี่ขันหานั้น <c oughs> ตนเองก็สอนตัวเองอยู่อย่างนี้นะถ้าหากว่าตนเองไม่เตือนตอนเองอย่างนี้มันก็ชักจะวันไว้ไปตามแหละเมื่ อ, อยังละอุปทานในขันหานี้ยังไม่ขาดเด็ดตรงไป ดังนั้นจึงต้องอาศัยสติหรือปัญญาเลยตอนจิตเลื่อยไปทีเดียวในขณะที่เจ็บหนักลงมเมื่อจิตมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ไม่วันไหวมันก็ตั้งมั่นลงไปนี่นะมันก็มีสติมีขันติความอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่ใช่ว่ามันรู้เท่าแล้วมันจะไม่ ไม่ได้สัมผัสกับทุกขเวทนาไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะรู้เท่าอย่างไรมันก็ได้สัมผัสกับทุกขเวทนาอยู่นั้นแหละแต่ว่าจิตผักไม่วันไหนเท่านั้นเองอืมนี่จะให้พากันเข้าใจไว้คําว่าจิตไม่วันไหวนั้นหมายความว่าไม่เสียใจไม่ดีใจไปตามธาตุสี่ขันหานั้น มีความรู้สึกเฉยต่อธาตุสี่ขาน้า น, นอยู่อย่างนั้นไปถ้าหากว่ารักษาจิตใจได้อย่างว่านี่จนหมดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะจิตของผู้นั้นก็ไม่ได้คล้องอยู่ในโลกนี้แล้วแต่ถ้าหากว่ามันยังละอุปทานขาดเด็ดไปได้จริงๆมันก็ไปเกิดโลกอื่น โลกที่มีความสุขปนิตบรรจงขวนี้อย่างนี้นะที่ท่านกล่าวว่าสวรรค์หรือพรหมโลก น, นี่ก็เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ฝึกค้นจิตใจของสนให้ละความชั่วให้ทำความดีเกิดมีขึ้นในตนได้มากเพียงใดน้อยเพียงใดบุญกุศลอันนั้นมนก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในที่ มีความสุขความสำลาญตามอำนาจแห่งกรรมดีที่ตนสั่งสมไว้ในโลกนี้เลอดังนั้นในสวรรค์ท่านยังว่ามีเป็นชั้นๆขึ้นไปถึงหกชั้นก็เพราะว่าการทำความดีการฝึกจิตใจของคนเราในโลกนี้นะมันยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากัน มันมันละเอียดปราณีตปวกกันมันอยากปวกกันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อหมดอายุสังขาร น, นี่แล้วบุญกรรมแต่ผู้นั้นก็ทําบบำเพ็ญก็นำไปเกิดในชั้นที่เหมาะสมกับบุญวัตนาบรมีของตนนั้นแหละเมื่อสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเท่าไหร่ อรูปกายก็ละเอียดเข้าไปจิตใจก็มีความรู้สึกละเอียดสงบระ ง, งับมากเข้าไปเท่านั้นอืมความยินดียินร้ายต่างๆมันก็ละเอียดเข้าไปเพราะว่าในสวรรค์มันก็คงจะยังละไม่ขาดหรอกผมยินดียินร้ายแต่ว่ามันละเอียดเข้าไปเป็นชั้นๆขึ้นไปอมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้าไปถึงพรมโลกแล้วจิตใจของพรหมนะ่ะมักจะเป็นอุเบกขามากมเพราะว่าท่านเจริญพรมวิหารอยู่แต่เป็นมนุษย์นี่จนว่าใจสงบนม่นลงไป อ, อยู่ในอุเบกขาฐานนี่นะนั่นแหละเมื่อเมื่อจิตมันยังเข้าไปถึงอุเบก มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเป็นเพศเดียวกันหมดเลยในพรหมโลกนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปด้วยลักษณะอาการของจิตนี่แหละครบทั้งหลายดังกล่าวมานี่นะถ้าจิตยังยินดีในอารมณ์ต่างๆยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่บ้าง แต่ว่ามันเป็นความยินดีที่ไม่เป็นโทษเป็นในเพลงกิเลสเฉยๆมันก็ให้ไปเกิดในชา<ะ>กามมารวาจรสวรรค์หกชั้นดังกล่าวมานั้นภาวะจิตมันละอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างว่านั่นแหละอย่างเข้าถึงอุเบกขาไม่เสือ่อมอภาวนาทีไรจิต ก, ก็ยังเข้าถึงอุเบกขาเพ่ง อุเบกขาอยู่อย่างนั้นแม้ออกจากสมาธิภาวนามาก็รักษาอุเบกขาจิตอ น, นั้นไว้ได้ไม่ให้เสือ่อมนี่แหละทาที่จะพาไปเกิดในพรหมโลกถ้าเพ่งอย่างนั้นแต่ว่ายังดับรูปไม่ได้รูปสัญญานั้นยังมีอยู่แต่ว่า ไม่ยินดียินร้ายกับรูปปัตญยาอันนั้นแต่มันมนละไม่ขาดมันก็ไปเกิดเป็นรูปกระพมออย่างนี้นะถ้ามันเพ่งรูปนั้นจนว่าระงับไปสัญญารูปปัตญยาสัญญาความจําหมายในรูปนั้นดับไปอบบ น, นี้จิตนั้นเข้าถึงรูปปัญญา คือความจําหมายไม่มีรูปความรู้สึกนั่นรู้สึกว่ารูปน้อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างนี้นะอแล้วเพ่งเข้าไปจนถึงกับว่าเห็นว่าแต่ว่าสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่โมลีเมื่อมันเพ่งละเอียดเข้าไปอย่างนั้นน่ะมันก็ จิตก็ละเอียดปันนิดเข้าไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นอรุปรพรมเป็นพรพมที่ไม่มีรู้นะเป็นอย่างนั้นก็มีอายุยืนเป็นกลับเป็นกันไปนูน่นอรุปรพรมนะท่างกล่าวไว้หลายกลับเพี้้วนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะรูปภพรมรูปภพมนี่ก็ดีจิตใจก็ยังไม่ไม่หมดจากปัญหาแต่ท่านเรียกว่าวิภาวะตัญหาแปลว่าจิตใจนันเบื่อหน่ายในรูปแล้วมันเบื่อหน่ายในรูปแล้วไปติดในนามธรรมแบบนี้นะนนเป็นยงนั้นติดในนามธรรม จิตนี่จึงไปเกิดอยู่กับนามธรรมคือเช่นว่าแสงสว่างนี่จิตไปเพ่งแสงอันนั้นอยู่ะละแสงอันนั้นไม่ได้เนี่ยพอหมดอายุสังขารเนะี่ยก็ไปเกิดอยู่กับแสงสว่างอันนั้นรู้สึกว่าโลกอันนี้ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรมีแต่ว่างอยู่หมดความรู้สึกอันนั้นนะ่ะอย่างนี้แหละ ท่านเรียกว่าอารูปภพมอะไราอกคพมไม่มีรูปอายุยืนยาวนานพระพุทธองค์ก็ตัดว่าเป็นตัญหาควรละอย่างนี้เราเจริญวิปัสสนาต่อไปพิจารณาธาตุสี่ขันห้า 4, ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นโดยอุปาทานเช่นนี้แล้วท่านเหล่านั้นก็สามารถ และอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้โดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างโดยเอกเทศได้แก่พระโสดาบันพระจักกิทาคามีพระอนาคามีโดยสิ้นเชิงได้แก่พระอระหันย่างนี้แหละไอการบําเพ็ญสมถะอิปัสนา ในพระพุทธศาสนานี่มีอยสองประเภทดังกล่าวมานี้ดังนั้นผู้ศึกษาทรรมคารรสอนของทุกเจ้าองให้รู้ไว้ชีวิตหรือว่าธาตุ4ี่ขันห้าอันรวมเรียกว่าร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือว่าเป็นของเราของเขาจริงๆนั่นแหะเป็นสิ่งที่ควรตรงกลนวางไม่ ควรสั่งสมตัณหาความอยากเกิดในพบน้อยพบใหญ่ไม่ไม่ควรที่จะสะสมตัณหาความอยากมาให้ร่างกายนี่สวยๆงามๆให้มีอายุยั่งยืนนานให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอะไรหมดนี่ให้ตัณหาเหล่านี้ระงับให้หมดไปเลยเพราะว่าบุญกรรมตกแต่งให้มาแล้ว บุญกรรมที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนอย่างไรมาตกแต่งให้ได้อย่างไรแล้วกด็ได้อย่างนั้นเลยเราจะอธิษฐานปรารถนาให้รูกปกายนี่ดีขึ้นกว่าเดิมให้ยั่งยืนมัน่นคงต่อไปอีกอ น, นี้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออย่างนี้นะต้องให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ระงับตัญหาประเภทนั่นได้ เอกทันเดียวว่าตัณหามันละเอียดเข้าไปกัวตัณหาหยาบหายาบไอ้ตัณหาหยาบยาบนั่นตัณหาความอยากอันเป็นไปในทางบาปอากุศลเพราะมันอยากเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไปเช่นไม่มีปัญญาที่จะหา อาหารมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้โดยทางที่ชอบด้วยศีลได้อาศัยสันหามีกำลังมากมกว่ายอมรับบาปรับกรรมไปฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้ <Yeah. S 2> ยอมไปรับไปหยิบไปช่วยเอาของผู้อื่นที่เขาไม่ไม่อยู่ที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ อย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้นลยตัณหาอันนั้นเน่ยมันก็ก่อให้เกิดบาปอคุศสนขึ้นมานี่ทันเรว่ดตัณหาอย่างงาบอันนี้นะ่ะอพระพุทธเจ้าทรงสอนในละตัณหาประเภทนี้แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ไม่ควรที่จะไปลุตัณหาประเภทงาบอย่างนี้ เมื่อไปรู้ตันรุอำนาจเก่ตันหาเหล่านี้แล้วกรรมเวรมันก็ไม่หมดสักทีแล้วเกิดมาชาติใดก็มาสร้างบาปกรรมใส่ตัวเองเพราะตันหาประเภทนี้ละไม่ได้อย่างนี้นะนี่แล้วบุญก็ทำาทีนะ่นี้นะนั่นเ่งถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่ามันก็ฉุดคลาดจิตวิญญาณ น, นี้ไปสู่นรกหลังจากตายจากโรคนี้ ไปสู่นรกหรือบาปไม่มากพอจะไปนรกได้มันก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ใดๆฉานโดยลาดับไปนี่ตัณหาประเภทนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพุทธศาสนิกชนนะควรจะเรียนรู้ตัณหาอย่างหยาบตัณหาอย่างกลางตัณหาอย่างละเอียดไม่ควรที่จะ นอนหลับทับสิท์อยู่เฉยๆควรที่จะภาวนาทําใจให้สงบระงรับลงแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องตัณหาต่งตางๆนี่มาพิจารณาให้มันรู้ให้มันเข้าใจไปโดยตลอดไปเลยดังที่อธิบายที่แจงให้ฟังมานี่แหละ ตัณหาอย่างงาบมันก็วันดาลให้คนเราไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ปลปรืดผิดในกามกล่าวมุสาวาตดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฟิน่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมดนี่นะตัณหาอย่างกลางมากาักมารบกวนก จ, จิตใจไม่ให้สงบระงับลงได้มีมันฟะว่าน้อมสติเข้าไปจะทำใจให้สงบลง ปัญหาประเภทนี้มันก็มาชวนจิตให้คิดไปโน่นคิดไปนี่พอแต่สงบลงไม่ได้นั่นแหละนี่แต่ถ้ามันคิดรักคิดชังใครมันก็ไม่ถึงกับว่าได้ไปติดต่อลงไม่ลงมือประหัดปวาหารผู้อื่นด้วยกำลังกายอะไรหรอกเป็นแด่เพียงความคิดเฉยๆในในในชั้นกลางนี่นะกิเลสชั้นกลางนี่ อย่างนี้แหละเรามันก็ทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอมีแต่ง่วงเงาหาโนนอดย่ อ, อท่อไม่อยากทำความเพียรไม่อยากคิดไม่อยากพิจารณาอะไรอันนี้เป็นกิเลสชั้นกลางอันนี้นะอย่างนี้แล้วก็มักจะมีความสงจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอย แต่ไม่ถึงกับได้ไปทำบาปคิดฟุ้งซ่านอะไรเฉยไม่ถึงกับได้ใช้ให้กายวาจาไปทำชั่วพูดชั่วได้อย่างนี้แหละแล้วความสงสัยลังเลในเรื่องบาปปุนคุณโทษในเรื่องนรกสวรรค์พานิพานอะไรต่ออะไรมดนี้มันก็สงสัยเมื่อใจสงบลงไม่ได้แล้วมันก็มีแต่สงสัยล่ำไปอย่างว่านั่นแหละ นี่เรียกว่ากิเลสอย่างกลางหรือว่าตัณหาย่างกลางก็ได้ตัณหาย่างละเอียดก็อย่างที่แสดงมาแล้วนั่นเนี่ยได้แก่จิตอย่างเข้าถึงฌานแล้วก็ไปติดอยู่ในรูปฌานอารูปฌานนั้นไม่ได้ถอยมาเจริญวิปัสนาไม่ได้บำเพ็ญไตรลักษณญาณให้เกิดขึ้นในใจเหตุนั้นถึงละนามรูปอันนั้นไม่ได้ มันก็จึงต้องไปเกิดตามกำลังของความดีที่กระทําภายในจิตใจดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าเราแสดงสู่กันฟังให้รู้ว่าการที่ปฏิบัติทางจิตใจ น, นี่นะเมื่อดำเนินไปไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ สรุปใจความแล้วนะมันเช่นอย่างไปเกิดเป็นอรูปภพอย่างนี้กระติดอยู่นั่นแหละอยู่นั่นจนว่าเป็นหลายกับหลายกั น, นตามตำราทั้งกล่าวไว้เพราะอา น, นิสงส์แห่งอรูปฌานนะมไม่ได้บรรลุถึงบริพานแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้กี่พระองค์อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้เลย แต่พวกครมที่มีรูปนี่ยังยังสามารถฟังทาคำสอนพระพุทธเจ้าได้อยูอ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนะเมื่อทําจิตให้สงบแล้งครับลงไปแล้วขอให้เจริญปัญญาต่ออย่าไปติดอยู่ในแต่ความสุขมันเกิดจากความสงบอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่เป็นทางหลุดพ้นอนั่น ที่มันจะหลุดจะพ้นได้ก็ต่อเมื่อเจริญปัญญาพิจรารณาเห็นธาดุสี่ขันห้า น, นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน้าไนโห่เต็มไปด้วยทุกภัยอันตรายต่างๆอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วภัยของชีวิตก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นภัยของร่างกายภัยของดวงขิตก็คือความ โตกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆความคับแขนใจความหิวแห้งใจอะไรหมดนี่นะนี่เรียกว่าภัยของดวงจิตอันนี้นะดังนั้นเราจเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะให้ใจนี่มันฉลาดรู้แจ้งขันห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางตามสภาพแล้วก็จะไม่เต้าโตกเสียใจกับความบิบัติแห่งขันห้าอันนี้ จะไม่ทุกข์ไม่โทกไม่ครับแค้นใจเมื่อรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วก็จะวางใจเป็นอุบเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้ธ า, างุนั้ต่อขันหานี้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้